เมื่อคืนนี้วางพิกัดในแบบแยกเดี่ยวตามโคนต้นไม้จริงๆแล้วเป็นการเ ป, เป็นภาพจำลองในแบบทางพุทธการสมัยก่อนโยคีหรือสีมุนีหรือผู้บาเพ็ญตระหะหรือผู้สแสวงหาโมคตธรรมแสวงหาความสงบทางด้านจิตใจสแสวงหาความหลุดพ้นทางด้านจิตใจเนี่ย <c oughs> ก็ออกไปอยู่ตามป่าตามเขาในแถบประเทศอินเดียทางเหนือของหิมาลัย S <S <an> <S ก็ไปนนั่งอยู่ตามป่าตามเขาตามถ้าตามอะไรนี่เราก็เป็นภาพจําลองหนึ่งที่เรามาอยู่อย่างนี้ใช้อุปกรณ์ให้น้อยที่สุด เ, เสือ่อบรรลนมอนใบแล้วก็นั่งอยู่ใต้ก่นไม้ไม่ต้องมีกฎมีไม่มีกฎไม่มีเต็นเพราะว่าสมัยก่อนก็ไม่มีกฎมีเต็นเราโยคีหรือศีมูนีหรือผู้แสวงหาความพ้นทุกข์เนี่ยก็ไม่อุปกรณ์ช่วยเหลือมากมายทีเราพอมันนั่งอยู่เสื่อบรรลินมอนใบเนี่ยมันจะพอเราไม่ใช้กฎไม่ใช้เต็นเนี่มันก็เป็นใจกับ ฝากกการชัดๆเลยแบบซื่อๆตรงๆเลยสัมพันธ์กันเลยใจกับป่าใจกับช้างป่าใจกับสัตว์ป่ากับหนีป่าไม่มีอะไรมากั้นระหว่างเรากับธรรมชาติตัวนี้ตรงนี้มันจะเป็นการเรียนรับอย่างอย่างรวดเร็วแล้วก็ทําให้เราเข้มแข็งภายในคืนเดียวได้กลัวเช้ามันกลัวยังไงนั่งไปดูมันกลัวยังไงมันเล่าแหวนยังไงมันกลัวผีกลัวสัตว์ป่าไหมมันเป็นยังไงมันระหวัดระแวงกลัวงูเหี้ยเคี้ยวขอไหมมันเป็นยังไงมันทํางาน กระตุ้นกระตุ้นเราให้มันทำงานให้มันเร็วๆใจของเราก็ได้เรียนรู้ใจก็จะได้พิจรารณาดูความเป็นจริงของมันแต่ความปลอดภัยเนี่ยมันปลอดภัยอยู่แล้วเพราะว่าอาจารนวางพิกัดวางตำแหน่งวางค่ายไว้อยู่แล้วอย่างเช่นก่อฟองไฟบอกลักษณะของม น, มนุษย์เราเข้ามาอยู่ตรงนี้มาใช้พื้นที่ตรงนี้เนี่ยก่อฟองไฟกันช้างกันหมีกันเสือแล้วก็กันหมูปา่าเพื่อจะบอกเป็นสัญลักษณ์หนึ่ ง, งเป็นสัญลักษณ์ของเผ่าป่าเขาก็เข้าใจเขาก็จะไม่เข้ามาเราก็จะปลอดภัยสูงมากทั้งที่อยู่คนละที่ ทางทั้งนี้ไม่มีเซน<ล>ไม่มีเครื่องป้อง ก, กันอะไรใดๆทั้งสิ้นมีแต่การตื่นรู้ <c oughs> มันก็เป็นการเรียนรับและรับรองว่าข้าคืนเดียวเนี่ยสามารถเท่ากับเราไปปฏิบัติทำตามวัดหนึ่งหนึ่งร้อยวันเนี่ย คืนเดียวนะมันเข้มขนาดนั้นเพราะมันสดไงการตระหนักรู้นี่ก็สดสดหนาวก็สดสดไม่ได้คิดนะหนาวนี่ไม่ได้คิดเอานะมันมันมันสดเวทนาเกิดขึ้นมาต่างๆเกิดขึ้นมาในเรื่องราวเนื้อหาเยอะแยะมากเลยปรากฏการที่มันสะท้อนเป็นโดมิโนการมีข้อมูลข่อวสารการมีปัญญาการมีสมาธิมีสติสัมปชัญญะต่างๆเนี่ยเราก็มาใช้กับเรงนี้แหละใช้ด้วยตัวเราเองไม่ต้องใช้ด้วยความคิดเราไม่ต้องคิดว่าหนาวว่าร้อนว่ากลัวมันกลัวมันหนาวมันอันจริงๆสด แล้วก็ตระหนักรู้แบบอารมณ์สดๆอันนี้มันจะเข้มแข็งมันจะเปลี่ยนตัวภายในของเราสุดท้ายเราเราก็จะเพิ่มมีตะบะเพิ่มกระดูกกระดูกเราก็จะแข็งแรงถ้าเป็นนักมวยเขาเรียกว่าไอ้ไอ้ไอ้เพิ่มกระดูกซ้อมเตะซ้อมเตะซ้อมโดนเตะก่อนอันนี้ก็โดนเตะโดนเตะก็เหมือนกับซ้อมกระดูกสร้างตะบะถ้าเป็นนักภาวนาหรือว่าผู้แสวงหาก็คือสร้างตะบะก็สุดท้ายมันก็จะค่อยคลี่คลายผ่อนคลายไปเป็นเป็นปัญญาในที่สุด มันมีปัญญามีประสบการณ์มีความเข้มแข็งทางด้านร่างกายและจิตใจแล้วเนี่ยมีข้อมูลข้อสารพิจารณาเห็นอะไรอย่างชัดเจนแล้วเนี่ย <c oughs> เขาจะเข้าป่าเข้าดงก็ไม่มีปัญหาหอยู่ในเมืองก็ไม่มีปัญหา <c oughs> ใจของเราก็จะพิจารณาเสิ่งต่างก็จะผ่อนคลายขึ้นเรื่อยๆสุดท้ายทุกสิ่งทุก อ, อย่างจะกลายเป็นปรากฏการณ์นับงดงา ม, มเป็นการเป็นพลังตื่นรู้เป็นตื่นรู้แบบงดงามสิต่างก็จะผ่านมาผ่านไปอยู่งี้แล้วันยังค่ำ ผ่านมาผ่านไปนอะไรแบนั้นแหละ <c oughs> สุดท้ายเราก็จะชื่นชมชีวิตชื่นชมปรากฏการณ์ของชีวิตชื่นชมสิ่งต่างที่ผ่านมาในใจของเราตั้งแต่วันนี้ต่อไป เ, เราจะเป็นการตื่นรู้แบบ <c oughs> มีความสุข <c oughs> มีความสุขตรงที่ว่าเราเข้าใจสิ่งต่างๆที่เข้ามาสัมพันธ์กับใจของเราอย่างเช่นความสุขความทุกข์ความคิดดีคิดชั่วความคิดทั่วๆไปความ ดีใจเสยียใจธรรมะฝ่ายดีธรรมะฝา่รระฝายไม่ดีผ่านมาในจิตใจของเราธรรมะกุศลอกุศลทั้งประสบการณ์ทั้งฝ่ายดีและแย่ทั้งเรื่องที่มีสุขและมีทุกข์เนี่ยมันผ่านมาเราก็จะไม่ยึดติดมันมันก็จะเป็นดังหมอกเมฆที่เคลื่อนผ่านท้องฟ้า <c oughs> เราเองก็จะเป็นผู้ตื่นรู้ <c oughs> ตื่นรู้มันก็จ ะ, <c oughs> ะเพิ่มขึ <c oughs> ม้นจํานวนขึ้นเรื่อย<ๆ>มีพลังมากขึ้นเรื่อยสิ่งต่างก็จะผ่านมาผ่านไปผ่านมาผ่านไปเหมือนฤดูกาลทั้งสี่อ่ชาวนาทําไมถึงไม่ มีความทุกข์กับเรื่องฤดูการอย่างเช่นว่าฤดูฝนฤดูแล้งเนี่ยเขาเพราะว่าเขาเข้าใจฤดูการพอฤดูการทำนาฝนเดือนหเดือนหกเขาก็เตรียมแอ r เตรียมไถเตรียมข้าวไว้เพื่อปลูกพอถึงเดือน1ิบเอ็ดสิบขาก็เตรียมเกี่ยวเตรียมเกี่ยวเตรียมเข้าวหอมผ่มไว้ทิ้งหนาทําป้องกันไปเองไว้นี่แหละมันก็เป็นธรรมชาติที่เข้าใจอย่างชาวนาเข้าใจทนักภาวนาถ้าเกิดความเข้าใจอารมณ์ต่างๆในคิดแจ้งเรานี่มันก็ง่าย เวลาเจอความสิ่งที่ไม่ดีในจิตใจหรือว่าสิ่งข้อมูลที่เรารังเกียจหรือว่าไม่น่าปรารถนาเราก็จะเข้าอกเข้าใจเห็นอย่างครอบคุมเห็นในหลายมิติของสิ่งนั้นและสุดท้ายมิติสุดท้ายคือสุญญตาของของสังตา น, นารายณ์พวง แล้วเราก็จะไม่ถือสาความสมบางบัติและจิตวังไม่ถือสาความสุขความทุกข์ไม่ถือสาความหนาวความร้อนอ่อนแข็งต่างๆอุปสรรคของชีวิตถือว่าเป็นเรื่องสีสันทุกอย่างมันก็จะผ่านไปดังฤ ด, ดูกาลเหมือนฤ ด, ดูกาลของศาวนานักภาวนาก็เพียงแต่ตระหนักรู้ตระหนักรู้และทุกอย่างไม่ต้องเข้าไปทําอะไรเพียงแต่ตระหนักรู้และเห็นความเป็นจริงแต่ทุกอย่างก็จะไหลผ่านเหมือนเมฆที่เคลื่อนผานท้องฟ้าใจของเราก็จะผ่อนคลายทุกสิ่งทุกอย่างจะกลายเป็นสิ่งงดงาม เป็นปรากติการณ์งดงานแทนที่จะเป็นศัตรูแทนที่จะเป็น อ, อุปสรรคดงั้นดีไซเกิลหรือแปรสภาพอุปสรรคให้กลายเป็นปัญญาให้ได้เหมือนอย่างเรามาอย่างเงี้ยดูดูมันลาบาก<ร>บ้านก็มีามาทําไมแต่ว่าแปลแปลสภาพความลาบากนี่ให้เป็นสิ่งงดงามมันก็มีงดงามจริงๆนะอย่างต้นหญ้านี่ยเล็กๆเนี่ยมันก็งดงามเหมนะือนไหมความเขียวสดกองไฟเนี่ยมันก็สามารถถึงหนาวได้มันงดงามมันมีประโยชน์หมดเลย ต้นไม้ที่ตายแล้วก็เป็นงดงามมีเงาในใต้บึงบึงเห็นไหมมีก็สวยงามเลยเกินเงาถ้าเราสังเกตเป็นนะแตถ่ถ้าเราสืบผลในการตื่นรู้เรื่อยๆเนี่ยเราจะเข้าใจสิ่งรอบๆข้างเราเนี่ยมีแต่ความงดงามงดงามเพราะมันต้องเปลี่ยนแปลงไปให้ตป็นหลักรู้ไม่งั้นคุณจะไม่รู้ไม่งั้นคุณจะไม่เห็นเพราะมันมั น, ม, นมันจะหมดสิ้นบทบาทลงเพราะมัน เ, เราจะหมดเวลาเพราะว่าทุกอย่างมันเหมือนความฝันไงเหมือนภาพที่ผ่านทางมาเหมือนภาพที่ เกิดขึ้นเหมือนพยับแดดนะ่ะเหมือนต่อมน้ำเหมือนหมอกมี่ <c oughs> เหมือนน้ำค้างมันไม่นานไงเหมือนนกร้องนี่สุข้อนขึ้นมาจากป่าแล้วก็มันร้องเฉพาะตอนเช้ากับตอนเย็นตอนเที่ยงเที่ยงมันก็พักก่อนไม่ค่อยร้องอนะ่ะเเห็นไหมความงดงามของสิ่งรอบๆตัวเราเอง <c oughs> ความกลัวความหนาวเป็นสิ่งงดงามหมดเลย <c oughs> แต่พวกนี้จะทำให้เราเข้มแข็ง งดงามเพราะว่าเราสังเกตเห็นได้เห็นได้มันก็ผ่านไปไม่เราไม่เข้าไปยึดติดยึดมั่นมันก็ไม่มีปัญหาอะไรส่วนใหญ่คนเรามีปัญหาเพราะไปยึดติดไปต่อต้านมันอแอนตี้มันพยายามจะลูกหนีจากมันถ้าเราอยู่กับมันได้เราจะเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆอย่างเยื่ผ่านขึ้นนี้นะไม่วิ่งหา <c oughs> เพื่อนนะ <c oughs> มันก็สบายแล้วทีนี้เราก็ถึงจะ ก, กลัวมันก็ไม่มีอะไรมาก <c oughs> เพราะว่าเราวางไข้กลนวางตำแหน่งพิกัดตั้งกอ ง, กองไฟตั้งกาดอะไรเนี่ย แผนผ้าพวกหน้าที่อาจารย์บอกสันดิลักษ์เนี่ยพวกนี้จะป้องกันไดเรื่องเก็บเกี่ยวสัตว์ป่ายิ่งเขาไม่เป็นสัตว์ไม่ใช่เป็นสัตว์ร้ายนะเราก็เป็นเป็นเป็นเพียงธรรมชาติอย่างหนึ่งช้างก็เป็นธรรมชาติหมีเป็นธรรมชาติเสือก็เป็นธรรมชาติหมูป่าก็เป็นธรรมชาติพวกนกพวกอะไรก็เป็นธรรมชาติกบหมูเที่ยวเที่ยวขอก็เป็นเรื่องธรรมชาติ แต่ทีนี้ถ้าเราไม่เข้าใจก็เราก็แคยย่อยากแยงแล้วก็กลัวไปเองแต่ความจริงแล้วเขาก็ไม่เป็อันตรายเท่าไหร่เพียงแต่ว่าเราไม่เข้าใจมันมันก็เลยเข้ามาก็เลยอาจจะโดนกัดโดนอะไรเนี่ยแต่ถ้าเราเข้าใจแล้วก็อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้ <c oughs> ยิ่งเข้าใจวิถีป่าเข้าใจสัตว์ป่าแล้วเราก็นั่งอยู่ใต้คนไม้มีความสุขแบบที่คำพุทธการเลย <c oughs> ยิ่งไม่เป็นภาระอะไรเลยเป็นข้าว <c oughs> เสร็จแล้วก็ทานเยอะๆทานกัน